ชือมันก็น่าสนใจการทอดสังเกชีวิตนี่ผมตอนแรกมาก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมั้ยนะเพราะว่าถ้าทุกเรานานทราบความดีและจางของฉันเชื่อหรือวาคนเราอาจจะเป็นได้สามมิติใหญ่ๆอ่ะอันที่หคึ่งคนถือมองว่าเราเป็นคนยังไงมิติที่สก็คือเราคิดว่าเราเป็นคนยังไงมิติที่สามที่ทุาเรียนถามอาจและขอความเห็นอจารคือว่าจริงๆเราเป็นคนยังนะครับ ก็แคอสที่ไม่เกี่ยวกัถึงเรื่องการมสนะะเชื่อว่าสิ่งที่ดีแน่ๆเพราะงาครื่องิของาวิสตของาอาจจะทให้หว่ได้จยาเพราะฉะนั้นจึง ทุกงานทุอย่างเดินไปเขาก็ถึงมากครับเดี๋ยวอขอความคิดเห็นกันใช่จริงคำสอนกว้างของคุณเจ้านะครเป็นหลักประกันที่สําคัญมากเช่นคํายืนยันว่าจําเดิมตั้งแต่ตรัสรู้จนฟ ร, รินิพานนะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเท่าที่ชีวิตมีอยู่เราสอนในเรื่องทุกและความดับทุกนี่เป็นหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพื่อกันไม่ให้ ภาษาวกก็ดีหรือผู้ที่มาภายหลังเนี่ยเข้าใจเขวื่าปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นเมื่อเขปฏิบัติเพื่อกระทําความทุกข์ทรมานในจิตใจให้สิ้นสุดเนี่ยเขาจะเป็นผู้ถ่อมมากครับไม่อยากได้ฤทธิ์ไม่อยากได้เดชไม่อยากได้อะไรนงะ้ยคือเอาความไม่มีความทุกข์เนะี่ยอันนี้สําคัญนะพุทธาสนามีสองระดับนะฮะระดับที่เป็นโลกุตระหรือรู้กันในวงจํากัดรู้กันในวงแคบเฉพาะผู้ที่ต้องการจะไปให้ถึงที่สุดทุก กับระดับที่เรียกกันว่าพ่อเพราบุตรซึ่ของชาติสังเกตนะศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านและศาสนาระดับนี้ครับที่เป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้มีทั้งคุณและโทษอยู่ในตัวมันศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็คือทำดีละชั่วซึ่งเป็นอุดมการทั้งนั้นเลยครับเหมือนกับประชาชนในความรู้สึกของประชาชนแล้วในบางขั้วของความ รู้ระดับนั้นอาจจะสูนทางคําสอนที่แท้จริงของพระเจ้าได้นะเหมือนนั้นครูบาอาจารย์ข้างอดีตเขาเชื่อมโยง2 ส, สิ่งนี้ได้ครับเช่นมาเกิดผู้รู้ขึ้นที่เรียกพระยะบุคคลในระดับต่างๆท่านจะสามารถเชื่อมสองขั้วนี้ได้จากศาสนาในความเชื่อของประชาชนกับคําสอนให้ถึงที่สุดทุกมันเชื่อมันอย่างไรนะครับแต่ในช่วงใดที่วัฒนธรรมเฉยนิ่งขาดผู้รู้เป็นสะพานเชื่อมโยงสังคมนั้นผมจะหลงทางกันทีครับ เร่องหลงทางเอาผู้วิเศ ษ, ษวิโ s ห o w เหาะินเือข่าวเลยเข้ า, ขาเป็นข้อเท็จิงขึ้นมานะเนี่ยนั้นผมอาจจะเริ่อมใสพระรุ่นหนึ่งเพราข่าวเรือเหาะได้ผมเลื่อมโล่งจนกระทั่งความเป็นคนสติปัญญาที่ดองพอจะมีบ้างไม่ถูกใช้สติปัญญามีความสำคัญมากนะเมื่อไม่ใช้มันก็จะมืดในเรื่องนิพพสนานะครับเมื่อรู้ตัวแล้วก็จะรู้ยิงย่งขึ้นครับเมื่อไม่รู้มันจะไม่รู้ยิ่งขึ้นครับ ไม่ใช่เท่าเดิมเลยชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามา ล, ลองงนมลายแล้วมันจะทวีขึ้นครับมันจะทวีคูณขึ้นมันจะแผ่ขยายเหมือนเชื้อแบคทีเรียครับตัวสองตัวก็ห้าวันนี้เป็นร้อยเป็นพันเลยครับตัวคําถามนะครับชี้ว่าแต่ผมหนีจับประเด็นไม่ได้นะครับคำถามตัวจริงๆเนเป็นคนไงเพราะหลายคนไปหลงตัวเองที่อาจารย์พูดถึงไม่กินนี่กระตุต้นเป็นอาหาันหรือตัวเองเป็นผู้พิเศษอะไรยอย่างเี้นะครับ คำตอบมีหลายระดับนะครับพอผมจะตอบตามความรู้สึกในคิดของผมนะต้องความเข้าใจของผมคือตัวเราคือธรรมะนั่นเองครับตัวจริงลองคือตัวธรรมะนี่นเองครับถ้าให้ขยายอย่างย่อคือคือความรู้สึกที่ดีงามดูง่ายนิดเดียวครับแต่ผมไม่ได้พูดเป็นการภาวนาเลยคือมันได้เป็นความรู้สึกดีงามมาก็นั่นแหละธรรมะรากกว่านั้วมันยิ่งกว่าพระไตรปิฎกอีกนะครับความรู้สึกที่ดีงามนลยครับ แล้วมันเกิดที่ไหนเป็นตรงนั้นเพราะว่าชีวิตของเราเป็นอันนั้นอยู่แล้วครับไอ้ น, นี่ไม่อยู่ในทฤษฎีไม่อยู่ในอะไรอยสุดแท้นะแต่ว่าเมื่อใดความรู้สึกที่ดีงามปรากฏหรือพูดได้สั้นว่าอยนะีเมื่อใจมันดีขึ้นนะครับที่เรียกใจดีนะครับแต่ดไูไม่มีาค่าไม่มีรมาคามันก็เมินเป็นดอลลาร์ไม่ได้แต่จริงๆนั่นแหละคือตัวแท้เราปรากฏที่แล้วนะเมื่อหน้าแท้ปรากฏไอ้หน้ากากาที่หุ้มมันก็ตกไปนะครับ เราเพราะวดีนี้เรามีหลายหน้ามากครับเราเป็นักแสดงที่จะเลี้ยงจยอมหรือถูกบีบให้ต้องทําอย่างนั้นก็ได้นะเพราะไม่ถือนี่เป็นภาระที่หนักอึ้งแต่ว่าเราถูกพรากจากชีวิตเดิมแท้สมมติตอนเด็กๆจิตใจทุกคนยอมรับนะครับผมเชื่อทุกคนยอมรับว่าตอนเด็กๆ เ, เราสบายกว่า น, นี้มากพี่แยงเนของบางทีร้องไห้มันแตะบ้างเดี๋ยวก็หายครับมันภาระเราไม่ค่อยมากต่อการดํำรงอยู่แต่ไม่ช้าไม่นานนะครับ จากภาวะของเด็กน้อยซึ่งเราก็เป็นสมาชิกทาววานขงส ว, วงสวรรค์ของชายหานกบีแล้วนะเล่นน้ําวิ่งไล่กันบนขี้ดินเลยนะสนุกเหมือนอยู่ในวิมานนะทั้งมนะเม่ช้าเวืาอเราถูกพรากจากความเป็นเด็กน้อยน้อยปัญหานะครับมาเป็นพลเมืองภาวะเป็นพลเมืองเนะี่ยเจ็บปวดมากเลยเพราะต้องเรียนรู้สมมติ คุณต้องมาซือคุณต้องได้ปริญญาคุณต้องมีเงินคุณต้องมีเครียดพ่อแม่วงลูก็งินเอากันใหญ่เลยในสุดเด็กคนนั้นก็วใจแหลกสลายเลยครับความสุขที่ไหนมันก็มีได้ดังนั้นธรรมะเนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนะกลับบ้านครับอาจารย์ลูกหนึ่งตอบคําถามต่อสิทธิเซนว่าเปรียบมือนเอาจิตไปหาจิตขี่ควายไปหาควาย ทีนี้ม่ถามว่าถ้าเจอควายล้วก็ขี่ควายกลับบ้านอาจารย์ก็ต่าก็ขีกควายกลับบ้านสิกลับไปสู่ภาวะบริสุทธิ์ดั้งเดิมซึ่งพร้อมเป็นที่อยู่ที่จะปรากฏตัวแต่เราดื้อครับมีข้อเท็จจริงหนึ่งว่าเรารู้ว่าจรบใดที่ชือกที่ล่ามขายังไม่ตึงสุดขีดกูจงไม่ถอยตรนี้เป็นปัญหาที่ต่อให้เจ้พระเจ้าเราถอยไม่ได้ครับกรรมนี่ยใครบ้างที่ยอมเสียสละครับ มันเป็นคู่ขวัญเป็นสิ่งที่อรต่อรอยที่สุดยิ่งโอหัวน้ำนมอีกถัดมาเบื่อกามไปสดเอาความสงบในชานเข้านี่ร้ายก็เป็นร้ายสุดเท่ามันจะไม่ถอยมันจะดันมัน้องหน้าเรื่อยๆครับผมคิดว่าภาวะที่เราถูกกระทําให้เป็นคนดื้อรั้นอันนี้ครเราต้องรับผลตอบแทนที่ที่ให้บทเรียนจงตั้งเรารู้สึกขึ้นมาทั้งชาติผมอยากจะพูดอย่างนี้นะ จะคิดนะครับว่าคนโกนผมห่มเหลืองแล้วเขากลับใจไม่นี่ครับยังไม่ได้กลับเพียงแต่หัวถูกกลันน่นนั้นเองครับขอโทษนะครับผมกม็ได้เลือกปทิงจาหนีพระนะคือผมจากชี้เห็นว่าสมมุติพี่ที่จะปรากฏขึ้นนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับศาสนธรรมจริงย่งใหญ่เด่นประเด็นนี้ครับพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในความทรงจําชาวโลกนานเป็นพันพันปีด้วยเหตุผลที่ว่ามีข้อที่จริงรองรับอยู่พระองค์ไม่ได้ประดิษฐ์ ปัญยาสกุลใหม่ขึ้นมาสอนดเข้อเเจนนี้นะครับท่านบอกว่าทางหุดลอดมีพร้อมอยู่แล้วถ้าไม่มีมนุษย์จะไม่มีความหวังเลยทางหุดลอดนี้คือทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เอาเทานั้ น, นครับสมมติเราเวลาเราเกิดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเราโกรธถ้าเราไม่ต้องการมันจะดับเดียวนั้นเครับแต่แล้วเราไม่ใช่อย่างนั้นครับเราปลอบตัวเองด้วยธรรมะ ต้องเมตตาแนละ้วไฟลุกขึ้นใหม่แล้วครับแล้วโกรธครั้งแล้วครั้งเล่าหัวใจเราไม่พองจยเราไม่เนื้อด้านไปแล้วครับเราไม่ต้องระวังดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำได้ก็คือกระทาให้ตัวชีวิตจิตใจต่างๆนี่นะฮะปรับปรุงตัวมันจนกระทั่ง higher sensitivity มีความไวอ่อนต่ออารมณ์ต่า ง, างไม่ใช่ให้ที่ที่แย่เราให้นะ แล้วคาพออะไรเข้ า, านี่ต้องรู้มันทันทีเลยนะเหมือนกับว่ากระดาษที่ขาวแล้วอะไรเพื่อนนิดเดียวรู้ทันทีนะหรือเราต้องด้วยเหตุนี้ครับที่ว่าทําไมเราต้องรักษาศีลทําไมเราต้องเจริญสมาธิทําไมเราต้องพยายามที่มองในวิสัยทัศน์เดียวกับที่พระพุทธองค์หรือผู้รู้ครั้งอดีตเคยมองแต่ถึงเหมือนเราเราแบ่งรับแบ่งสู้ครับเืินหนึ่งเราอยากจะตามหลังพระเจ้าไปด้วย อีกหนึ่เราอยากจะยุ่งกับกรรมด้วยเราอยากจะได้ของด้วยได้เงินด้วยแล้วเราเล่นฝักฝ่ายนี่ตลอดเวลาดัง น, นั้นไม่มีคําตอบเลยครับเราจะถามว่ามิติชีวิตที่ลุ่มลึกที่สุดเราเป็นอะไรในท่ากลางความสับสนบตออ่อไปทีหนึ่งก็คือเราไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดะครับชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยมันเป็นของมันครับเหมือนกับน้ำหรือคืนน้าเราจะให้สูตรให้ สมมติเลาว่า H2O มันไม่เคยเปลี่ยนไม่ไดครับแล้วอย่างวอเตอร์มันก็อันนั้นเลยครับทีนี้ชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่ดั้งเดิมนะครับถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติชีวิตจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่น่าอนาถที่สุดครับและเดี๋ยวนี้ความน่าอนาถมันแพร่สะพัดไปทั่วเมืองแล้วนะก็เ ร, ะเราห่าเงเหินในธรรมชาติครับไม่ว่าผังเมืองก็ดีหรือโอกาสที่คนชาวเมืองจะเห็นเดือนแจ้งเดนหงายดาวเด่นฟ้านี่แทบไม่มีเลยครับ มันมีดาวปลอมผมไม่ไหมายาดาวเทียมนะไปฟ้องไ ป, ปฟ้าฝุ่นละอองจับหมดดังนั้นเรากำลังถูกทำลายถูกทำลายอยู่ตลอดเวลานจนกว่าบุต ธ, ธิดาของชีวิตรุ่นใหม่จะแหวกวงล้อมจนกว่าจะมีทัศนวิสัยใหม่จนกว่าจะมีมโนโคติจินตนาการบนฐานของความรักสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมนะจนกว่าสิ่งนี้จะเรืองรองขึ้นมานะครับ ชีวิตจึงยมีความหวังขึ้นโดยทั่วไปแล้วเรารู้สึกกันแทบทุกคนนะครับว่าเราท้อเราเบื่อและอ้อแต่เราจอมยอมเราไมันจะทำยังไงกับสิ่งนี้ใช่ไหมครับจริงชื่อเรื่องนั้นคิดขึ้นพอ้เป็นที่ตั้งการสนทนาเท่านั้นครับ